ขอจากพระพุทธเจ้าไม่ได้บารมีนี้แบ่งให้กันไม่ได้บารมีนี้ของใครของเหมือนใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ดังนั้นต้องทำและก่อนที่จะทำได้ก็ต้องมีการตั้งเป้าไว้คือต้องอธิษฐานว่าชาตินี้จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบารมีต่างๆ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 มีเพื่อนมาชวนให้ไปที่นั่นที่นี่หรือมีงานอย่างอื่นที่จะต้องไปทําก็เปลี่ยนใจการเปลี่ยนใจนี้ก็เรียกว่าการไม่จิงใจไม่มีความไม่มีศัจจากับตนเองไม่มีศัจจะต่อการตั้ง อ, ธ, อธิษฐานตั้งแล้วไม่ทําตามที่ตั้งไว้เปลี่ยนใจเรียกว่าขาดสัจจา ร, รมี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 สัจจะอธิษฐานขณะนั่งอยู่ท้ายต้นโพในวันเพ็ญเดือนหกทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุจนกว่าจะพบธรรมอันประเสริฐที่จะทรงทำให้พระไัยของพระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแม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 ความภาคเพียนความอุตสาหะภาคเพียนเช่ mm hmm. นตั้งใจที่จะมาวัดแล้วพอถึงวันที่จะออกเดินทางก็เกิดความเกียดค้านขึ้นมาเช่นเมื่อคืนนี้ไปทำธุระหรือไปงานเลี้ยงดึกเกินไปกลับมาบ้านนอนดึกจะ ต, ต้องตื่นเช้าออกเดินทางมาก็ไม่มีความขยันพอ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 ทรงลอยคออยู่กลางทะเลถ้าไม่ยอมว่ายน้ำก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงฝั่งได้ถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่มีความพยายามที่จะว่ายไปตราบใดที่ยังมีกำลังที่จะว่ายได้ก็จะว่ายไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งใจมาวัดแล้วถ้ามีกำลังจะมาได้แต่อยากจะนอน ก็ต้องฝืนความอยากนอนแล้วก็บังคับตัวเองให้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เตรียมตัวออกเดินทางมาพอออกเดินทางมาก็จะต้องมีบาลมีข้อที่สถึงจะทำให้มาถึงที่วัดได้ก็คือขันติบาลมีความอดทนเพราะการเดินทางนี้ก็อาจจะไปพบกับอุปสรรคต่าง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 แต่เมื่อมีความเมตตาก็จะรักษาความเมตตานั้นต่อไปถ้ามีผู้มาสร้างความโกรธแค้นให้กับตนก็จะให้อภัยจะไม่ถือโทษโกรธเคืองจะรักษาความเมตตานี้ไว้ให้อยู่ต่อไปให้ได้ นี่คือการสร้างเมตตาบารมีต้องมีแต่ความคิดดีปราปรถนาดีต่อผู้อื่นโดยไม่สนใจว่าผู้อื่นนั้นเขาจะกระทำตนอย่างไรจะทำตนดีหรือไม่ดีก็ตามเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำร้ายเขาไม่มีหน้าที่ที่จะไป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 ถ้าขาดความเมตตาเกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นขึ้นมาใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาจะไม่มีความสุขสู้มีความเมตตาดีกว่ามีความเมตตาแล้วใจจะเย็นจะมีความสุขแล้วจะทำให้สามารถสร้างบา ร, รมีอื่นๆต่อไปได้ พอเรามีเมตตาบา ร, รมีแล้วเราก็จะพร้อมที่จะสร้างทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีก็คือการแบ่งปันการเสียสละประโยชน์สุขของตัวเราที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะสามารถใช้ได้หรือเก็บเอาไว้ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ทาให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็เสียสละแบ่งปัน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 จะรักษาจะสร้างศีลบา ร, รมีนียากผู้ที่ยังอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆ ก, ก, ก็จะทำแต่บาปแต่กรรมเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์สมบัติต่างๆมาเพราะการทำบาปนี้มันทำให้ได้ทรัพย์สมบัติมาได้ง่ายดดยกว่าการไม่ทำบาปนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติแล้วมีแต่อยากจะให้ ก็จะไม่มีวันที่จะไปทําบาปทํากรรมได้ก็จะมีศีลบารมีศีลบารมีก็คือศีล5้าแล้วพอสามารถรักษาศีลบาศีล5ได้ก็จะเพิ่มรักษาเพิ่มขึ้นอีก3ข้อได้เมื่อรักษาได้5ข้อแล้วต่อไปก็อยากจะรักษาเพิ่มอีก3ข้อเป็น8ข้อเรียกว่าศีล8 ศีลแปดนี้ก็คือเนคข ม, มะบารมีนั่นเองศีลแปดนี้จะยับยั้งจิตใจไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือกามคุณทั้งห้าเนคขมะนี้แปลว่าการออกจากกามการไม่เข้าไปสู่การเสพกามนั่นเองการออกจากการเสพกาม ถ้าสือส้อศีลห้านี้ยังไม่ได้ห้ามเรื่องของการเสบกรมต่างๆเพียงแต่ห้ามเรื่องของการทำบาปแต่พอรักษาศีลแปนี้ห้ามไม่ให้หาความสุขทางการมเช่นศีลข้อสามก็จะต้องยุติกิจกรรมศีลข้อสามไปก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็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 คือวันละหนึ่งมือหรือสองมือและไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูมอหาระสพไปร้องลัมทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยงามเสริมความงามด้วยเครื่องสาอางน้ำหอมน้ำมันต่างๆ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 ร่างกายต่อไปจากจากการได้สัมผัสกับของนุ่มนอนบนฟูกหนาๆ น, นุ่มๆ น, มนี้นอนแล้วสบายมีความสุขก็จะนอนมากเกินความจําเป็นความต้องการของร่างกายก็จะทําให้เสียเวลาไปจะไม่มีเวลามาสร้างบารมีขั้นต่อไปก็คือโอเบขาบารมี ผู้ที่สามารถสร้างเนคขมม์บารมีได้แล้วนี้ก็จะมีความสามารถที่จะขึ้นสู่อุเบกขาบารมีได้อุบยอุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้สงบให้รวมอยู่ในสมาธิให้เหลือแต่สักตะวารุเหลือแต่อุเบกขาการที่จะทําให้ใจรวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาได้ จำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้เป็นธรรมที่จะดินใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่อุเบกขาจำเป็นที่จะต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเพราะถ้ามาสร้างสติในขณะตอนที่นั่งสมาธินั้นจะมีกำลังไม่พอ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 แต่ถ้าอยู่ตามลำพังไปปีกุ้เวกแล้วมีเวลาให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่การเจริญสติให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ถ้าได้ถึงอัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาบารมี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 มาในการยุติความอยากต่างๆความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพะเรียกว่าความอยากเรียกว่าการมตัญหาหรือความอยากให้มีความเจริญในลาบยศเสริญในรูปเสียงกลิ่นรส อันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาทุกคนเกิดมานี้อยากจะเจริญในราบยศสารเสริมสุขกันทุกคนแต่ความอยากนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจและความอยากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิภาวะตัณหา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 จะไม่เห็นความจริงอันนี้ก็จะมีแต่ความอยากให้เจริญเพียงอย่างเดียวมีกามะมีภาวะตัณหาแล้วก็มีวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญสุขเสื่อมไปแต่พอความจริงปรากฏขึ้นมาก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจทุกทรมานใจถ้าเสียมากๆก็อาจจะถึงกับอยากจะทําลายชีวิตของตนเองไป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 ให้ความสงบนี้อยู่ไปนานๆและก็จะเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่มาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองคือกามักตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้ายังไม่รู้ก็ฝังเทศฟังธรรมไปถ้าเข้าถึงดเพราะถ้าได้ยินอริยสัจสีเมื่อไหร่ก็จะเข้าใจทันที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 ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่พอพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงอริยสัจสีให้ฟังว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามคือกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและเกิดการเกิดของตัณหาก็เพราะว่าไม่เห็นสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจัง มีนาเกิดขึ้นก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ตั้ง 5, ให้เห็นว่าราภยศจะรเสริญสุขหรือร่างกายนี้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอได้ยินสัจธรรมความจริงอันนี้พระอัญญาณโกนทัญญาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับที่หนึ่งได้คือ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 เพราะรู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นตัวที่ทําลายความสงบความสุขของใจพอละได้ใจก็กลับมาสู่ความสงบสู่ความเป็นอุเบกขาต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปอันนี้ก็เรื่องของปัญญาบารมีที่จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอน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 ไม่ว่าจะเป็นการมตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความจริงคือตายลั์มาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าผืนความจริงไม่ได้อยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ควรจะพยายามเพราะจะทำให้ทุกข์ใจไ ป, ปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร พอเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสวยงามก็มีความไม่สวยงามมามามาด้วยกันเป็นของที่มาควบคู่กันร่นางกายนี้เวลาสวยงามก็สวยงามเวลาที่มันไม่สวยงามมันก็ไม่สวยงามเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย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 ถ้าเรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจเวลาใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะสามารถใช้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้มาละตัณหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้อย่างทันทีทันใดและจะทำให้เราใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้จะทำให้ใจเรากำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้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 พอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาบารมีที่จะเป็นตัวที่จะเป็นแสงสว่างสอนใจให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์แล้เห็นต้นเหตุของการดับความทุกข์เห็นต้นเหตุก็คือเห็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหาเห็นต้นเหตุที่จะทำให้ทุกข์ดับไปก็คือเห็นตายหลักนี้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 การที่เราไปสร้างลาบยศสารเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันเป็นการสร้างความสุขปลอมสุขปลอมเพราะว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้หรือเวลาที่ลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้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 ออกจากการสู่การมีใจที่สงบเป็นอุเบกขาและสู่ใจที่มีความรู้ความฉลาดคือมีใจลั์อยู่ในใจตลอดเวลาใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บาเพ็ญกันมาผู้ใดก็ตามถ้าได้บาเพ็ญแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้า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 พาภิกษุกันเพราะในอดีตชาติเขาก็เคยสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้มาแล้วมันก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันให้เขามาสร้างบารมีต่างๆต่อไปที่ไหนมีสถานที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีเขาก็จะไปที่ตรงนั้นเช่นในปัจจุบันก็เมืองไทยของเรามีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้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 ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิริศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวหาปุร า, ปารปรเปเบปเรนติสาคาลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปฏิ อิติตังปะฏิตังตุมหังเคปะเมวะสมิจจตุสะเภพุเรนตุสังกะปาจันททปนะราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันโุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขิตาโยโกภวะ อาภิวาธานะศลิตะนิจังวุฒาปจายโนจัตรารโอธามาวะทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามในช่วงนี้ได้เลย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 เพื่อระงับความโกรธไม่เอาเรื่องต่างๆกลับมาคิดแต่พอเห็นหน้าหรือเหตุการณ์อีกอาการไม่พอใจก็แสดงออกทันทีทางสีหน้าของเราทั้งที่เราก็ไม่ชอบการกระทำหรือความคุณมัวในใจเลยนอกจากบริกรรมพุทธโธเราต้องนึกถึงคนที่ทำให้เราหงุดหงิดแล้วพิจารณาให้เห็นใตรักษ์ของคนนั้นหรือการกระทานั้นอยู่บ่อย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 คำถามจากคุณเอข้อหนึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าไม่ควรแผ่เมตตาให้คนตายเพราะจะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิจริงหรือค้าเพราะอะไรคะเหมือนความแผ่เมตตามันไม่เกี่ยว ก, กับกรรมการเจริญสมาธิแผ่เมตตานี้ก็คือให้เราแผ่ให้กับสรรพสัตว์แม่ว่าจะเป็นคน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 บางคนก็ไม่มีบางคนจะเรีนสมาธิแล้วก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเลือกเสียงทิพลินทิปลูกทิพอะไรต่างๆนี้แต่บางคนนี่จะมีวาสนาหรือมีความสามารถพิเศษเวลาจิตสงบแล้วมักจะออกไปรับรูเ้เรื่องราวต่างๆนิมิตต่างๆ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 แต่ไม่ได้แผลเพื่อไล่เขานะบางทีเจอผีนี่ชอบแผลกันแต่แผลบาปให้เขาไปอันนี้ไม่เรียกอันนี้ไม่เมตตาแล้วถ้าไล่เขาไปนี่มันก็แสดงว่าไม่เมตตาแล้วแต่เมตตาก็คือให้เขาอยู่ถ้าเขาต้องการอะไรก็ถามเขาเดือดร้อนอะไรเราช่วยเหลืออะไรได้ไหมอย่างี้ก็แผลเมตตาแบบนั้นอย่างคุณแม่ชีแก้วนี่ท่านเวลานั่งสมาธิก็จะมีพวกสัตว์ที่ตายแล้ว หมูป่าเอ้ยควายเอ้ยมาเข้ามาในสมาธิแล้วก็มาขอความเมตตาท่านกรลับท่านการไม่ให้ความเมตตาของเขาไปสอนธรรมะให้กับเขาไปอันนี้แนหะคือการแผ่เมตตาแต่เวลาที่เราเลอกจากการนั่งสมาธิแล้วเราสวดสเพสัตตนี้เป็นการสอนใจเป็นการทําการบ้านเพื่อเวลาที่เราไปเจอข้อสอบเราจะได้ทําข้อสอบได้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 หรือกลัวเขาจะไปเป็นเปรตก็เ ล, เลยทําบุญเยอะๆอุทิศให้เขาไปเยอะๆเพื่อเขาจะได้อาศัยบุญอุทิศ น, นี้พาให้เขาไปสู่สุคติได้แทนที่จะไปอบายอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่มีคนที่ตายหรือคนที่เราคิดถึงเราก็ทําแบบน้งตาพาทำทำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเปิดโลกกระทาใครอยู่ที่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 แต่ยังรู้สึกถึงลมหายใจเบาบางอยู่นั่งสมาธิปเป็นแบบนี้บ่อยครั้งต่อจากนี้ควรทำอย่างไรต่อครับให้พุโทโธต่อหรือหยุดให้อยู่กับความรู้สึกนั้นดีครับถ้ามันว่างมันสงบมันสบายจะหยุดก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่เหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มก็พุโทโธต่อไปกินข้าวต่อไปเพราะความสงบมันมีหลายระดับที่ท่านเรียกว่าฌานขั้นต่าง มันก็เป็นความสงบแต่ความสงบมันลึกและละเอียดมากไม่เท่ากันชานที่หนึ่งก็อยู่ในระดับหนึ่งชานที่สองก็ลึกเข้าไปชานที่สามก็ยิ่งลึกเข้าไปจนถึงทานชานที่สี่เนะี่ยมันถึงจะนิ่งสงบจริงๆถ้ายังไม่นิ่งสงบยังมีอะไรให้รับรู้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ก็ควรที่จะภาวนาต่อไปคาถามจากคุณวรรณพร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 บรรลุแล้วก็ตายภายในเจวันก่อนบรรลุก่อนจะตายเจวันก็เลยคิดว่าพอบรรลุแล้วเป็นคารวะแล้วไม่ได้บวชก็ต้องตายภายในเจวันหรือในภะยะที่ไปถามธรรมของพุทเจ้าในขณะที่สั้นทรงเบญฑบาทพระอาจาก็ทรงแสดงธรรมสั้นๆว่าให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาเขาก็ขออนุญาตไปเตรียมบริขารเพื่อจะมาขอบวช ในระหว่างทางไปเตรียมตัวก็ถูกกระเทงขวิดตายพระเจ้าทรงทราบข่าวก็บอกว่า ร, รมชาปน ก, กิจแล้วก็บรรจุกระดูเขาไว้ในสถูปแสดงว่าเป็นการรับรองว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุแล้วได้ดุดพลแล้วแล้วก็ตายไปก่อนที่จะได้บวชก็เลยมาคิดก็เลยมาเป็นความคิดเห็นกันว่า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 จะเป็นพระแล้วไม่เป็นพระมันก็ตายนีมันไม่เกี่ยวกันไม่ต้องกลัวถ้าเป็นคารวาสเราบรรลุหลุพ้นนีงก็ไม่ต้องกลัวถ้าบรรลุ้นแล้วก็ไม่กลัวตายอยู่ดีตายก็ตายไม่มีความหมายเลยอยู่ก็ได้ตายก็ได้ตายกับสบายกว่าไม่ต้องมาคอยเลี้ยงร่างกายเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องการจากในโลกนี้อีกแล้วที่อยู่ก็อยู่เพื่อผู้อื่นน้นอย่างพระพุทธเจ้า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 พอใจเราสงบมันก็หยุดทําหน้าที่ขยายความเจ็บปวดของร่างกายก็เลยรู้สึกว่าความเจ็บปวดของร่างกายที่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันรุนแรงมันกลับไม่รุนแรงมันเบาลงไปอันนี้ก็เป็นได้หรือบางทีหายไปเลยก็เป็นได้เหมือนกันไม่สําคัญเรื่องของความเจ็บปวดของร่างกายนี้เราไม่ต้องมันเอาไม่ให้ความสําคัญกับมันมันจะอยู่ไม่อยู่มันจะเบาไม่เบ า, ไ ม, าไม่เป็นไรขอให้ความเจ็บปวดทางใจมันหายไปเ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 ต้องการที่จะหลุดพ้นในชาตินี้ท่านก็เลยไปปลีกไม้เวกอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ถึง10ปีระหว่างอายุ 60- ถึงเจปีตามประวัติที่หลวงตาเขียนก็เป็นช่วงที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดและหลังจากนั้นท่านก็ได้รับอาราธนาให้มาโปรดสั่งสอนญาติโยมท่านก็กลับมาสั่งสอนใหม่สั่งสอนพระเมรุที่มีหลว ง, งตาไปเป็นนุกสิษย์ในช่วงนั้นช่วงช่วงเจ็ดถึงแปพรรษาของหลวงปู่มัน แล้วพออายุแปสิบหลวงปู่ม well enfin in ั่นท่านก็ละสังขารไปคำถามหมดแล้วทางบ้านทางที่นี่มีใครอยากจะถามไหมมีแต่พวกชำนาญรู้หมดแล้วรู้แต่ไม่ปฏิบัติเอาข้างหลังมีมาอยากจะถามปัญหาการนมัสการหลวงพ่อรัาโยม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 นอกโลกไปอยู่ในอวากาศนี่ก็ไม่มีอะไรก็ก็หมายถึงว่าสุญญตาตัวนี้ก็ต่างกับคําว่านิพานใช่ไหมครับอ่าก็มันก็มันคนละคำกนะันน่ะนิพานกับนิพานสุญญตากับสุญญตาสุญญตานี่มันมีความหมายได้หลายอย่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสก็เป็นสุญญตาอย่างหนึ่งว่างจากสมมุติเช่นสัตว์บุคคลเขาเรานี่ก็เป็นความว่างอีกแบบหนึ่ง มันก็มีความว่างหลายอย่างซึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้จกกักแยกแยะว่ามันเป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็ให้รู้เพียงแต่เวลาที่เราว่างเวลา เ, าเราตกงานนี่มันก็ว่างเหมือนกันเนี่ยว่างจากงานว่างจากภารกิจการงานเวลาแฟนทิ้งเราไปเราก็ว่างจากการมีคู่ครองมันก็เป็นว่างเหมือนกันนะครับผมครับสาธุครับ ก, รร ก, การบำมศัการเจ้าค่ะหลวงพ่อคืยอยมอยากจะกราบเรียนถามองค์หลวงพ่อนะเจ้าค่ะว่าชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศรราสนาแต่เปิดแลคะแต่บาร ม, มีธรรมยังบำเพ็ญไม่เต็มที่เจ้าค่ะที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าเราเร่งปฏิบัติทําความเพียรให้มากขึ้นเราจะสามารถที่จะพ้นทุกข์และบรรลุธรรมได้ในชาตินี้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็อยู่ที่ทํามากทําน้อย ทำครบหรือไม่ครบถ้าทําครบมันก็บรรลุได้ถ้ายังทําไม่ครบมันก็ยังบรรลุไม่ได้บารเมก็ต้องทําให้ครบทั้ง10ข้อแล้วก็ให้เต็มร้อยอย่างนี้มันก็จะบรรลุได้ไม่มีอะไรเล้ใช่ไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลา